เพิ่งพากันตั้งใจฟังธรรมวันนี้จะได้แสดงสารานิยธรรมสู่กันฟังสารานิยธรรมแปลว่าธรรมเป็นเหตุไทยระลึกถึง ทำเป็นเหตุให้ะระลึกถึงกันมีอยู่หกอย่างหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามนเณรหรือในเพื่อนอุบาสกบาชิกาทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขนขวายในกิจธุระ ของกันด้วยกายเช่นมีพยาพยาบาลภิกษุหรือว่าคฤหัสถู้เป็นไข้เป็นต้นด้วยจิตเมตตาสองเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตานายเพื่อนภิกษุสามเณรก็ดีคฤหัสถก็ดี แม่ชีแม่ขาก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขอนควายในกิตทุระของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกล่าวสั่งสอนเป็นต้นด้วยกิจเมตตาสามเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามันเนนหรือแม่ชีแม่ขาว หรือครือหัดทางต่อหน้าและรับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ <c oughs> แก่กันและกันด้วยจิตเมตตาสี่แบ่งปันลาบที่หามาได้โดยทางชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณร หรือบาสุบาชิกา <c oughs> ไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียวห้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพิกษุสามนเณนรอื่นๆหรือว่าแม่ชีแม่เขาทายกทายิกาอื่นๆ ไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นโดยความประพฤติที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมพกมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนภิกษุสามเณรและทายุคทายิกาแม่ทีแม่เ้า ไม่ทะเลาะวิวาดกันด้วยความเห็นไม่ตรงกันอันนี้เป็นสารานิยธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ทมเหล่านี้ทมผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่น เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่แหละคุณธรรมหกอย่างนี้นะให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดีแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตาม <c oughs> ผู้ใดได้ลงมือพอพิปฏิบัติตามสารานิยธรรมหกอย่างนี้แล้วก็จะได้รับรับอานิสงส์ดังกล่าวมานั่นแหละคือว่าเป็นที่รับที่เคารพนับถือของผู้อื่นนี่นะแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นไปเพื่อความไม่วิวาดผิดเสียงซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็เป็นความจริงแหละ <c oughs> เมื่อเราทำการงานอะไรเราช่วยเหลือเกือ้อกูลกันด้วยกิจธุระการงานเช่นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่ง เก็บไข้ได้ป่วยลงฝ่ายที่ไม่เก็บไข้ได้ป่วยเมื่อรู้แล้วจากนี้ก็เกิดเมตตาขึ้นมาไปช่วยรักษาพยาบาลกันให้เต็มความสามารถหมายถึงคนที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละตั้งจิตเมตตาลงไป สู้ทุกสู้ยากลำบากรักษาพยาบาลกันเท่าที่จะทำได้จนกลัวจะหายหรือจนกลัวจะตายจากกันแม่กิจธุระการงานอย่างอื่นนอกจากการรักษาพยาบาลกันแล้วเมื่อหากว่าใครมีธุระอะไรเกิดขึ้นเช่นี้ก็อย่าไปดูได หากว่าพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือไปเว้นเสียแต่ไม่มีเรี่ยวแรงกำลังที่จะช่วยได้ก็อันนั้นก็ยกเว้น <c oughs> ทีนี้การพูดจาปราศัยต่อกันและกัน <c oughs> พระศาสดาก็ทรงสอนให้เราตั้งกิจเมตตาลงไว้ในใจเสมอเสมอ ตั้งจิตเมตตาว่าเราจะใช้คำพูดนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจะไม่ใช้คำพูดนี้ให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้ฟังเราตั้งใจลงอย่างนี้ถ้าไม่ตั้งใจลงอย่างว่านี้แล้วมันก็จะกินสมอยากก็จะปากสมเครียดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ ถ้าได้ตั้งใจลงไว้อย่างนี้แล้วมันก็จะมีสติคอยระมัดระวังคำพูดคำจาของตนก่อนจะพูดอะไรกับใครก็ต้องนึกเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรถ้าเห็นว่าไม่ควรแล้วก็งดไม่พูดถ้าเห็นว่าสมควรก็จึงค่อยพูดไปที่ว่าไม่ควรนั้นเมื่อนึกเห็นว่า ถ้าเราพูดอย่างนี้ไปผู้ฟังนี่จักไม่พอใจแน่นอนอย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดเลยเป็นอย่างนั้นแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ช่างเมื่อเมื่อเข้าใจว่าผู้นี้จักไม่พอใจในคำพูดของเราประโยคนี้อย่างนี้นะถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่พูดพอเรื่องจริงถ้าพูดไปแล้ว ผู้ฟังไม่เอาตามอย่างนี้นะมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอ่ะคอยแต่จะเกิดโทษเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องหมนีนะมันก็ต้องเข้าใจไว้ให้รอบคอบเพราะธรรมะเนี่ยมันยืดหยุ่นได้และมันก็มีในอันกว้างขวางเรามีจิตเมตตาแล้ว พูดอะไรออกไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้รู้ตามเห็นตามได้ละชั่วทำดีตามด้วยจิตเมตตาของเราแต่ทีนี้เมื่อเราพูดออกไปแล้วนะหากว่าเขาไม่ทำตามอย่างนี้ก็อย่าไปเดือดร้อนอย่าไปชุนเฉียวต้องวางอเวคาลงให้ได้นี่ มันต้องมันต้องเข้าใจอย่างนั้นธรรมะนะมันมีเป็นของคู่กันนะถ้าอย่างหนึ่งไม่สำเร็จก็เอาอยางหนึง่งเป็นอย่างนั้นถ้าว่าพูดอะไรออกไปกับใครแล้วจิตมุ่งหมายเพื่อจะให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นทําเมื่อเขาไม่ทำตามแล้ว ตนเองก็โกรธฉุนเสียวขึ้นมางเนี่ยใช้ไ่ไดาแบบนั้ น, นกิเลส จ, จะไม่แห้งจะไม่เบาบางไปเลยจานั้นต้องฝึกจิตใจให้เป็นไปฝึกวางเวขาลงให้ได้เราพูดออกไปแล้วใครไม่เอาตามก็แล้วไปไม่ต้องเสียใจดีใจถ้าใครเอาตามก็เป็นประโยชน์ แก่คู่ทาตามนั่นไปต้องฝึกใจให้เป็นกลางอย่างนี้เสมอเสมอไปอการทําอะไรการพูดอะไรถ้าเราทําจิตให้เป็นกลางแล้วอย่างนี้การทําการพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเสียหายอืมันก็ระมัดระวังไปในตัวแหละเมื่อจิตเป็นกลางแล้วนะ แต่ถ้าว่าจิตนี่มันนำเอียงไปเอียงมาแล้วไม่ไหวมันจะไม่ส ม, ม, ม่ำเส ม, มออยู่ได้นะการกิริยากายที่แสดงออกมาในสังคมต่างๆกิริยาวาจาคำพูดก็เหมือนกันนะมันก็มั ก, มกจะไปทิ่มแทงจิตใจของผู้ฟังผู้อื่นนะ่้นให้เจ็บอกเก็บใจ พอว่าใจอย่างว่าใจมันลำเอียงไปในในเรื่องที่ไม่ชอบใจอย่างนี้น ะ, นนะเมื่อมันไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วคำพูดที่พูดออกไปนั้นมันแน่นอนแหละมันก็ต้องไปทิ่มแทงจิตใจผู้อื่นเป็นคำพูดที่แสลงหูผู้ฟังนี่ต้องสังเกตดูทุกคนนะตนทำอะไรไปพูดอะไรไปต้องสังเกตไปพร้อม อย่าไปหับหูหลับตาทาไปเฉยๆพูดไปเฉยๆต้องศึกษาไปพร้อมในตัวเลยถ้ารู้ว่าตนเผลอละตนพลาดลงไปแล้ววันนี้ก็รู้ตัวแล้วเอาละต่อไปเราจะไม่ให้พลาดไม่ให้เผลอที่เผลอไปแล้วเล้วไปไม่ต้องไปนั่งจุกเจ้าเง า, งาทรงเสียอกเสียใจอะไรอยู่ห้ามจิตให้ได้ ถ้าทาได้อย่างนี้แล้วก็การทําการพูดของผู้นั้นมันก็สําเร็จประโยชน์ได้จริงๆอันประกอบไปได้วยเมตตากรุณาจริงจริงนะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมาจากใจนู้นนี่น้มใจไปสู่เมตตาธรรมน้อมเมตตาธรรมเข้ามาสู่ใจเมื่อใจนี้มันเตี่ยมด้วยเมตตากรุณาแล้วอย่างนี้ การแสดงออกทางกายทางวาจานี่มันก็นิ่มนวลลักษณะของเมตตาธรรมมันเป็นอย่างนั้นไม่แข็งกระ ด, า <c oughs> ด้างการที่เราจะปฏิบัติได้อย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่มีแต่เมตตาธรรมอย่างเดียวก็ต้องมีคุณธรรมอื่นประกอบด้วยเช่นสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะ นี่ถ้าขาดทำสองอย่างนี้แล้วก็มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเนี่ยเมตตาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องศึกษาให้เข้าใจมันมีได้แต่เวลาเรามีสติระลึกได้คุณธรรมความดีต่างๆนั้นถ้าสติระลึกไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่มีแล้วอ่าเป็นอย่างนั้นเรื่องมาเนนะ่ ดังนั้นน่ะผู้ใดเจริญคุณธรรมอะไรอะไรต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนี้ทั้งนั้นเลยเป็นธรรมเครื่องอุปการะคุณธรรมนั้นๆให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของผู้นั้นดังนั้นแหละเมื่อเรารู้ว่าคุณธรรมอันนี้นะเป็นธรรมของดีจริงพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ อ, อพุทธวิปัสสนาทางหลาย ลงมือกระทาตามเช่นนี้แล้วเราก็พยายามใช้สติสัมปชัญญะนี้แล้วลึกถึงคุณธรรมนั้นบ่อยๆเข้าไปเช่นดังที่แนะนำมาแล้วนั่นแหละก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรกับใครนั้นให้ระลึกล่วงหน้าสะก่อนว่าควรหรือไม่ควรอื เนี่ยนะี่แหละถ้าเห็นว่าไม่ควรแล้วก็งดถ้าเห็นว่าควรแล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปมันก็ไม่ผิดไม่พลาดหนั่งกับเพราะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้มันก็ยังมีคุณธรรมต่อไปนั่นอีกคนเรานี่นะ่ะเมื่อทำคุณงามความดีเข้าไปถึงขีดขั้นแล้ว มันก็ได้รับผลจากความดีนั้นมีผู้นิยมนับถือนำลาบสการะต่างๆมาให้ด้วยอานิสงส์แห่งความดีที่ผู้นั้นกระทำบำเพ็ญมาทีผู้เช่นนั้นน่ะเมื่อได้มีลาบสการะพุ่มเพย์มาแล้วไม่รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายไม่มีเมตตาอารีต่อผู้อื่น หวงไว้บริโภคแต่จำเพาะตัวผู้เดียวเช่นนี้ก็ย่อมเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของคนอย่างนี้นะหวงมรดกไว้ไม่ยอมแบ่งให้ลูกให้หลานลูกหลานก็ไม่เคารพนับถื อ, อลูกหลานก็ทอดทิ้งอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของพระภิกษุสามเณร ออย่างนี้ก็เป็นที่รังเกียจของลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เคารพยำเกรงอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการที่ในสังคมหนึ่งหนึ่งจะรวมกันอยู่ได้สมัครสมานสามัคคีกันอยู่ได้ก็เพราะว่าผู้มีบุญวาสนาเอ่า นั่นแหละมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มีวาสนาน้อยหมายความว่าผู้มีวาสนามากนั้นก็ต้องเผื่อแผ่ต่อผู้มีวาสนาน้อยในปัจจัยทั้งสี่คืออาหารการบริโภคผ้าหนุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยยุยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอืมอันนี้ ปัจจัยทั้งสี่นี่มันเกิดขึ้นมาได้ด้วยคนผู้มีบุญจะเป็นคารึงหัดก็ตามเป็นนักปวดก็ตามถ้าคนไม่มีบุญแล้วจะไม่เจริญด้วยปัจจัยทั้งสี่อันนี้ฟืดเคืองมากผู้มีบุญที่บุคคลผู้นั้นได้ทำมาต่ชาติฟางก่อนไว้มากแล้วอย่างนี้ผลมันตามมาอำนวยให้ในชาตินี้ ก็ร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างง่ายดายผู้ที่ร่ำรวยเช่นนั้นขึ้นมาแล้วนึกได้ว่าตนร่ำรวยขึ้นมาด้วยานิสงแห่งทานการให้การบริจาคที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนหนังมันมาอำนวยผลให้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องใช้สอย สมบัติเหล่านี้ที่เกิดมาด้วยบุญนี้ให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นนะเพราะว่ามันได้มาด้วยการที่เราได้เสียสลับวัดถุสิ่งของให้แก่ผู้อื่นมาแต่นในชาติก่อนมันถึงได้อำนวยผลให้อย่างนี้ถ้าแต่ชาติก่อนโน้นหากว่าตนได้สมบัติใดมาแล้วหวงไว้บริโภคแต่จำพาะผู้เดียว ไม่เฉลี่ยเชียชรจานแก่บุคคลที่ควรให้ควรบูชาเช่นนี้ก็ก็จะไม่มีผลอันดีงามอะไรมาอํานวยให้ในปัจจุบันนี้ให้เป็นคนร่ํารวยมั่งมีสีสุขขึ้นมาได้ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ตณีแล้วละความตณีในสมบัติเข้าของอันนั้นตได้ยินดีบริจาคเฉลี่ยให้แก่บุคคลที่ควรให้ควรบูชา <c oughs> บุคคลที่ควรให้คนบูชาเส้นอย่างว่าผู้เป็นลกูกเป็นหลานของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายอย่างนี้นะก็มาหวนระลึกถึงคุณอุปการ ะ, ะที่ท่านมีแล้วแก่ตนมาแต่อ้อนแต่ออกตนจะมีชีวิตชีวามาได้ปัณณก็เพราะอาศัยท่านผู้มีอุปการะคุณเหล่านั้นแหละ ได้ช่วยชีวิตของเราให้เจริญไวใหญ่โตมาได้ป่านนี้ดังนั้นถ้ า, าว่าเราไม่ตอบบุญแทนคุณท่านเราก็จะต้องเป็นหนี้บุญคุณท่านไปตลอดชาติตลอดพรบคิดได้อย่างนี้แล้วผู้เป็นลูกผู้เป็นหลานของพ่อของแม่ของปู่ยาตายายเมื่อได้ทรัพย์สมบัติใดมาแล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนไววบริโภคแต่เฉพาะคู่เดียว ก็จะต้องแบ่งชั้นบันส่วนไปตอบบุญแทน ค, คุณท่านผู้มีอุปก า, าระแก่ตนมีมารดาบิดาเป็นต้นดังกล่าวมาหมายความว่าท่านผู้ใดมีอุปก า, าระคุณแก่ติตนแล้วหากว่าโอกาสอำนวยให้เวลาใดแล้วก็ตอบบุญแทนคุณท่านในเวลาเช่นนั้นลูกศิษย์ ของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุก็ดีสามนเณรก็ดีมูนี่นะเหตุที่จะได้เป็นพระภิกษุสามนเณรขึ้นมาได้ก็เพราะว่าได้อาศัยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอุปชาอาจารย์เป็นเบื้องตน้นได้ช่วยแนะนำพรมสอนให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบให้รู้จัก ขนบธรรมเนียมของการบวชการเรียนในพุทธศาสนาทำอย่างไรอย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของอุปชาอาจารย์จะฝึกปรือผู้ที่เข้ามาขอสมัครบวชขั้นที่สองต่อไปก็ได้อาศัยอำนาจสงบนี้นั่นน่ะนับตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปในปัจจันตะประเทศเช่นประเทศเราอืม ส่วนมากไม่ไม่คาไม่กำหนดกำหนดเอาส่วนน้อยไม่ให้ย่อนกว่าห้ารูปขึ้นไป <c oughs> ถ้ามากกว่านั้นไม่เป็นไรเนี่ยสงเหล่านี้ได้พร้อมกันในพัทธสีมาหรือว่าอภัทธสีมาตามพระพุทธานุญาตแล้วก็ทำการบรรพชาบสมบท ด้วยการสวยดยติจตุถกรรมวาจาถึงสี่เที่ยงจบลงนั่นนะผู้นั้นถึงได้นามว่าพระภิกษุภาวะในพุทธศาสนานี้ถ้าหาว่าสงฆ์ทั้งหลายไม่เห็นดีไม่เห็นชอบแล้วผู้นั้นจะมาเป็นภิกษุภาวะในพุทธศาสนานี้ไม่ได้เลยไม่มีสิทธิที่จะได้มาร่วม อุบโบสถสังฆกรรมอะไรกับพระภิกษุสงฆ์เลยนี่แหละเมื่อผู้เป็นสัตว์ทิบิหาลิกหรืออันเตวาสิก ข, ของอุปชาอาจารย์ระลึกได้อย่างนี้แล้วก็จะต้องคิดต่อบบุญแทนคุณอุปชาอาจารย์ าตอนไม่มีวัตถุสิ่งของอะไรจะไปบูชาอุปชาอาจารย์ก็เอากายนี่แหละไปบูชาเลยออปฏิบัติอุปถามภ์อำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ตนเอาวาจานี่แหละออการพยายามกล่าววาจาที่อ่อนน้อมอ่อนโยน ต, ต่ออุปชาอาจารย์เอาใจนี่แหละ ประกอบไปได้วยเมตตากรุณาในอุปชาอาจารย์ไม่จงเกลียดจงชังแม้ว่าท่านจะดุด่าว่ากล่าวอย่างไรก็ยอมทุกอย่างเพราะว่าเราได้มอบกายถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วยอมให้ท่านว่ากล่าวสั่งสอนแล้วนี่มันก็ต้องเตือนตนสเสมอสเสมออย่างนี้อ่า เมื่อท่านดุดาว่ากล่าวมามันก็จึงจะไม่โกรธไม่เกิดเป็นอกุศลจิตขึ้นมาไม่เป็นบาปพูดง่ายๆอย่างนี้แหละอันทำความดีอย่างนี้นะมันก็เป็นการตอบุญแทนคุณอุปชาอาจารย์ได้เมียญาติโยมชาวบ้านครฤหัสผู้ครองเลือนก็เหมือนกัน เมื่อนึกถึงคุณอปการักของครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนผู้แนะแนวทางปฏิบัติอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัณหาบ่าประธรรมให้น้อยเบาบางอวิจา ก, กายวาาใจของตนทีนี้เมื่อมองเห็นว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ได้ช่วยเหลือเราให้เรามีความรู้ความฉลาดในทางศีลธรรมนี่ จนว่าสามารถละบาปบาเพ็ญบุญได้ท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราได้ชื่อว่าเป็นหนี้บุญคุณของท่านเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ตนอย่างนั้นให้เต็มความสามารถด้วยการให้ หรือว่าถวายปัจจัยทั้งสี่นั้นมีอาหารละบินถบาตเป็นต้นตามมีตามได้นั่นเป็นเป็นเบื้องต้นแห่งการต่อบุญแทนคุณขั้นที่สองก็โดยการกราบการไหว้ด้วยความเคารพรบน้อมขั้นที่สามด้วยการพยายามละความชั่วทำความดีให้เต็มความสามารถ จนว่ากิเลสบาปธรรมเบาบางอวิชากีดใจ <c oughs> อันนี้เป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างสูงเลยทีเดียวสูงกว่าการให้วัตถุสิ่งของอันนั้นฉะนั้นการตอบบุญแทนคุณผู้มีอุป ก, การะคุณทั้งหลายเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างนี้ให้พึ่งพากันเข้าใจ ขั้นตอนที่สำคัญมากก็ได้แก่การพยายามละชั่วทำดีนี่เนี่ยตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้สำคัญมากทีเดียวถ้าว่าผู้ใดไม่คิดที่จะละชั่วทำดีไม่คิดที่จะชาระกายวาชาใจของตนให้สะอาดปราศจากกิเลสป่าประมกรรมอันชั่วต่างๆแล้ว ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้เคารพนับถืออุปัชฌาย์อาจารย์ถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็ดีถ้าเป็นทายกทายิกามแม่ชีแม่เขาวอะไรก็ตามแหละไม่ชื่อว่าเคารพนับถือครูบาอาจารย์เต็มที่หมายความว่าอย่างนั้นนับถือก็นับถือเพียงแต่ขอพิทีพอวันนั้นแหละคันชอบใจก็กราบก็ไหว้ ถ้าเกลียดชังมาแล้วก็ไม่ยอมกราบยอมไหว้ <c oughs> ไม่ยอมนอบนอ้อมออะไรอย่างนี้นะนี่ท่านเดียวว่านับถือพอแต่ขอไปทีมันเป็นอย่างนั้นทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็เกิดมาจากอันนี้แหละความไม่สงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันดังกล่าวมานี่ไนะอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยที่ไม่ให้หนึ่งามารดาวิดาไม่เป็นที่เคารพนับถือของบุตรธิดาสองอุปชาอาจารย์ไม่เป็นที่เคารพนับถือสการะบูชาของภิกษุสามเณรผูเเ้เป็นสิทธิ์เป็นเป็นสัตถิงวิหาริกอันเตวาสิก ของตนสามผู้เป็นเจ้าเป็นนายก็ไม่เป็นที่เคารพนับถือของประชารชานสี่ผู้เป็นประมุขของประเทศหากว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมทั้งหกประการดังกล่าวมานี่นะ ก็ไม่เป็นที่เคารพนับถือบูชาของประชาราชดรในประเทศนั้นนั้นในในข้อต่อไปนั้นหมายความว่าก็ไม่รักษาสินให้เสมอกันอย่างว่าเป็นครืหัสอย่างนี้นะคนบางพวกบางเหล่าก็มีสินห้า เอาบางพวกไม่มีบ้างไม่มีบ้า ง, งอย่างนี้แหละเมื่อไม่มีสินแล้วอย่างนี้ความประพฤติมันก็เหลวไหลไปคนผู้มีสินเห็นเข้าแล้วก็รังเกียจไม่ปรารถนาที่จะรบหาสมาคมกันก็เลยรวมหัวกันไม่ได้สามัคคีกันไม่ได้เพราะมีความประพฤติผิดแผกแตกต่างกันแม่ข้อสุดท้ายนั้นได้แก่ความคิดความเห็น ท่านเรียกว่าทิฏฐิสามัญญยตาอันนี้ก็สำคัญมากบางคนก็มีความเห็นถูกต้องตามํำนองคลองธรรมทำ ท, ทุกประการไปบางพวกก็เห็นถูกเห็นชอบตามคลองธรรมบางสิ่งบางอย่างเห็นผิดไปจากคลองธรรมบางสิ่งบางอย่างไปอย่างนี้วันนี้เมื่อไปสนทนาประสัยกัน ใครๆก็อยากจะให้คนอื่นยอมรับความคิดความเห็นของตนฝ่ายเดียวโดยเข้าใจว่าตนนั้นมีความเห็นถูกทีนี้เมื่อเพื่อนคัดค้านนไม่ยอมรับความคิดความเห็นของตนโกรธไม่พอใจนี่มันก็เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันไปล่ะสามัคคีกันไม่ได้นีถ้าว่าต่างคนต่าง มีความเห็นชอบตามคำสอนของพระเทเจ้าเ้นยังเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้บาปมีจริงบุญมีจริงอย่างนี้นรกสวรรค์นพระนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินไปสู่สวรรค์ไปสู่พระนิพพานนั้นมีจริงจริงอย่างนี้นะ